สังคารวะสูตรว่าด้วยสังคารวะพราหมณ์ครั้งนั้นแลสังคารวะพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยให้มนแม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานาน ก็ไม่แจมแจ้งได้ในการบางคราวไม่จําเป็นต้องพูดถึงมนที่ไม่ได้สาธยายเลยและอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้มนแม่ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลานา น, านก็แจมแจ้งได้ในการบางคราวไม่จําเป็นต้องพูดถึงมนที่ได้สาธยายเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 1. สมัยใดบุคคลมีใจถูกการมาราคะกลุ่มรุมถูกการมราคะครอบงำอยู่ และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งทำที่สลัดกา ร, รมราคาที่เกิดขึ้นแล้วสมัยนั้นบุคคลย่อมไม่รู้ย่อมไม่เห็นตามความเป็นจริงซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมนแม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานา น, านก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่จาเป็นต้องพูดถึงมนที่ไม่ได้สาธยายเลยเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้าซึ่งระคนด้วยครั่งขมิน้น สีเขียวหรือสีเหลืองอ่อนคนมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะที่เต็มด้วยน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงแม้ฉันใดสมัยใดบุคคลมีจิตถูกการมราคะกลุ้มรุงถูกการมราคะครอบงำอยู่และไม่รู้ชติตามความเป็นจริงซึ่งทำที่สลัดการมราคะที่เกิดขึ้นแล้วสมัยนั้น บุคคลย่อมไม่รู้ย่อมไม่เห็นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมนต์แม้ที่สาทยายมาเป็นเวลานา น, านก็ไม่แจมแจ้งได้ไม่จาเป็นต้องพูดถึงมนต์ที่ไม่ได้สาทยายเลยฉันนั้นเหมือนกันสสมัยใดบุคคลมีจิตถูกพยาบากลุมรุ ม, มถูกพยาบาครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริง ซึ่งทรรที่สลับพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วละถึงมนแม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่จําเป็นต้องพูดถึงมนที่ไม่ได้สาธยายเลยเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้ําร้อนเพราะไฟเดือดพล่านเป็นไอคนมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะที่เต็มด้วยน้ํานั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงแม้ฉันใด สมัยใดบุคคลมีจิตถูกพยาบาทกลุ่มรุมงถูกพยาบาทครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งทำที่สลัดพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วละถึงมนแม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานา น, านก็ไม่แจมแจ้งได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนที่ไม่ได้สาธยายเลยฉันนั้นเหมือนกันสามสมัยใดบุคคลมีจิตถูกถีนมิทะกลุ่มรุง ถูกทีนามิทะครอบงำมอยู่และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งทำที่สลัดทีนามิทะที่เกิดขึ้นแล้วและถึงมนแม้ที่สาทยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่จําเป็นต้องพูดถึงมนที่ไม่ได้สาทยายเลยเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้ำถูกสาหรายและแหนะปกคลุมไว้แล้วคนมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะที่เต็มด้วยน้านั้น ไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงแม้ฉันใดสมัยใดบุคคลมีจิตถูกถีนมิทะกลุ่มรุมถูกถีนมิทะครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งทำที่สลถีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วละถึงมนแม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่จําเป็นต้องพูดถึงมนที่ไม่ได้สาธยายเลยฉันนั้นเหมือนกันส สมัยใดบุคคลมีจิตถูกอุทัจจะกุกุจจะกลุ่มรุมถูกอุทัจจะกุกุจจะครอบงำอยู่และไม่รู้ชาติตามความเป็นจริงซึ่งทำที่สลัดอุทจจะกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วละถึงมนแม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานา น, านก็ไม่แจมแจ้งได้ไม่จําเป็นต้องพูดถึงมนที่ไม่ได้สาธยายเลยเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้ําถูกลมพัดไหววนเป็นคลื่น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 ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนที่ไม่ได้สาธยายเลยฉันนั้นเหมือนกัน 5. สมัยใดบุคคลมีจิตถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุมถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และไม่รู้ชตาิตามความเป็นจริงซึ่งทำที่สลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วและถึงมนแม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนที่ไม่ได้สาธยายเลย เปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้ำขุนมัวเป็นตมที่เขาวางไว้ในที่มืดคนมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะที่เต็มด้วยน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงแม้ฉันใดสมัยใดบุคคลมีจิตถูกวิจิ ก, กิจช้ากลุ่มรุมถูกวิจิ ก, กิจช้าครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งทำที่สลัดวิจิ ก, กิจช้าที่เกิดขึ้นแล้ว ละถึงมนแม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนที่ไม่สาธยายเลยฉันนั้นเหมือนกันพรามแต่หนึ่งสมัยใดบุคคลมีจิตไม่ถูกการมรรคกุ้มรุมไม่ถูกการมรรคครอบงำอยู่และรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งทำที่สลัดการมราคที่เกิดขึ้นแล้วสมัยนั้น บุคคลย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมนแม้ที่ไม่ได้สาทยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้งได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนที่สาทยายเลยเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้ำซึ่งไม่ระคนด้วยครั่งขมิ้นสีเขียวหรือสีเหลืองอ่อนคนมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะที่เต็มด้วยน้านั้น พึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงแม้ฉันใดสมัยใดบุคคลมีจิตไม่ถูกการมราคะกลุ่มรุ่มไม่ถูกการมาราคะครอบงำอยู่และรู้ชาติตามความเป็นจริงซึ่งทำที่สลักา ร, รมราคะที่เกิดขึ้นแล้วสมัยนั้นบุคคลย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองฝ่าย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 ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนที่สาทยายเลยเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้ำไม่ร้อนเพราะไฟไม่เดือดพลาดไม่เป็นไอคนผู้มีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะที่เต็มด้วยน้ำนั้นพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงแม้ฉันใดสมัยใดบุคคลมีจิตไม่ถูกพยาบากลุมรุ ม, มไม่ถูกพยาบาคร่ำงอยู่และรู้ชัดตามความเป็นจริง ซึ่งธรรมที่สลัดพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วละถึงมนแม้ที่ไม่สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้งได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนที่สาธยายเลยฉันนั้นเหมือนกันสมสมัยใดบุคคลมีจิตไม่ถูกถีนมิทะกลุ่มรุมไม่ถูกถีนมิทะครอบเมืองอยู่และรู้ชาตามความเป็นจริงซึ่งธรรมที่สลัดีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วละถึง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 และรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งธรรมที่สลัดทีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วละถึงมนแม้ที่ไม่สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้งได้ไม่จําเป็นต้องพูดถึงมนที่สาธยายเลยฉันนั้นเหมือนกัน 4. สมัยใดบุคคลมีจิตไม่ถูกอุทจักกุกุจักกลุ่มรุมไม่ถูกอุทจักกุกุจักครอบงำอยู่และรู้ชัดตามความเป็นจริง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 สมัยใดบุคคลมีจิตไม่ถูกอุทจักกุกุจักลุ่มรุมไม่ถูกอุทจักกุกุจักครอบงำอยู่และรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งทำที่สลัดอุทจักกุกุจจที่เกิดขึ้นแล้วละถึงมนแม้ที่ไม่สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้งได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนที่สาธยายเลยฉันนั้นเหมือนกันห สมัยใดบุคคลมีจิตไม่ถูกวิจิกิจชากลุ่มรุ่มไม่ถูกวิจิกิจชาครอบงำอยู่และรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งธรรมที่สลัดวิจิกิจชาที่เกิดขึ้นแล้วละถึงมนแม้ที่ไม่สาทยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้งได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนที่สาทยายเลยเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้าใสไม่ขุนมัวที่เขาวางไว้ในที่แจ้ง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 ไม่จําเป็นต้องพูดถึงมนที่สาธยายเลยฉันนั้นเหมือนกันพรามนี้แหละเป็นเหตุปัจจัยให้มนแม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานานก็ masses, นน s, stä, Podcast, like ไม่แจมแจ้งได้ในการบางคราวไม่จําเป็นต้องพูดถึงมนที่ไม่ได้สาธยายเลยและนี้แหละเป็นเหตุปัจจัยให้มนแม้ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจมแจ้งได้ในการบางคราวไม่จาเป็นต้องพูดถึงมนที่ได้สาธยายเลย สังคารวะพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษสิทธิของท่านพระโคดมชัดเจนไพเรายะยิ่งนักขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสาระนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเถิดสังคารวะสูตรที่สามจบ 4. การณปารีบุตรว่าด้วยพรามชื่อการณปารีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกุฏคารศาลาปามหาวันเคครุงเวสาลีสมัยนั้นการณปารีพรามใช้คนให้ทำการงานของเจ้าลิชวีอยู่ได้เห็นปิงคยานีพรามเดินมาแต่ไกลจึงถามว่า ่าปิงคิยานีพราหมณ์มาจากไหนแต่ยังวันปิงขิยานีพราหมณ์ตอบว่าข้าพเจ้ามาจากสำนักพระสมณะโคดมการณปาลีพราหมณ์ถามว่าท่านปิงขิยานีเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือเข้าใจความแจีมชัดแห่งปัญญาของพระสมณะโคดมว่าเป็นบัณฑิตได้หรือไม่ปิงขิยานีพราหมณ์ตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นใคร จะรู้ความแจ่มชัดแห่งปัญญาของพระสมณะโคดมเพราะเหตุไรผู้ที่เป็นเช่นเดียวกับพระสมณะโคดมเท่านั้นจึงจะรู้ความแจ่มชัดแห่งปัญญาของพระสมณะโคดมการณะณปาเลีย ก, กล่าวว่าท่านปิงคยานีช่างสรรเสริญพระสมณะโคดมยิ่งนักปิงคยานีพราหม์กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นใครและจากสรรเสริญพระสมณะโคดมเพราะเหตุไร และท่านพระสมณะโคโดมพระองค์นั้นเป็นผู้อัญชาวโลกสรรเสริญเป็นผู้ประเสริฐที่สุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการณะณปาลีพราหมถามว่าท่านปิงคียานีเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงเลื่อมใส ย, ยิ่งนักในพระสมณะโคโดมอย่างนี้ปิงคียานีพราหมตอบว่าท่านผู้เจริญ 1. บุคคลฟังธรรมของท่านพระสมณโคโดมพระองค์นั้น โดยลักษณะใดใดคือโดยสุตตะเคยะเวยากรณะหรืออภูตธรรมย่อมไม่ปรารถนาประวาทะของสมณะเป็นอันมากเหล่าอื่นโดยลักษณะนั้นๆเปรียบเหมือนบุรุษผู้อิ่มในรสอันเลิศแล้วไม่ปรารถนารสที่เลวเหล่าอื่น 2. บุคคลฟังธรรมของท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดๆคือโดยสุตตะเคยะ เวยากระณะหรืออภูตธรรมย่อมได้ความพอใจความเลื่อมใสแห่งใจโดยลักษณะนั้นๆเปรียบเหมือนบุรุษผู้ถูกความหิวและความอ่อนเพลียครอบงำได้รวงพึ่งเขาพึงได้ลิ้มรสจากส่วนใดๆย่อมได้รสดีอันไม่มีสิ่งเจือปนจากส่วนนั้นๆ 3. บุคคลฟังธรรมของท่านพระสมณโคดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดๆคือโดยสุตตะ เคยะเวยากรณะหรืออภูตรธรรมย่อมได้ความปราโมทโสมนัสโดยลักษณะนั้นๆเปรียบเหมือนบุรุษได้ไม้จันจะเป็นจันเหลืองหรือจันแดงก็ตามพึงสูดกลิ่นจากส่วนใดๆเช่นจากรากจากลำต้นหรือจากยอดย่อมได้กลิ่นหอมดีกลิ่นแท้จากส่วนนั้นๆสี่บุคคลฟังธรรมของท่านพระสมณโคดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดๆ คือโดยสุตตะเคยะเวยากรณะหรืออภูตธรรมโสกะความโศกปริเทวะความเครื่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจอุปายาความคับแค้นใจของเขาย่อมหมดไปโดยลักษณะนั้นๆเปรียบเหมือนบุรุษผู้อาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักในแพทย์ผู้ฉลาดพึงบำบัดอาพาธของเขาโดยเร็วห บุคคลฟังธรรมของท่านพระสมณโคดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดๆคือโดยสุตตะเคยยะวยากรณะหรืออภูตธรรมความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความเร่าร้อนทั้งปวงของเขาย่อมระ ง, งับไปโดยลักษณะนั้นๆเปรียบเหมือนสระน้ำที่มีน้ำใสจืดสนิทสะอาดมีท่าเทียบหน่ารื่นรมบุรุษถูกความร้อนแผดเผาถูกความร้อนกระทบ เหน็ดเหนื่อยหิวกระหายเดินมาถึงเขาลงไปในสะนั้นอาบและดื่มพึงระ ง, งับความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความเร่าร้อนทั้งปวงเมื่อปิงคยานีพรามกล่าวอย่างนี้แล้วการณปาลีพรามลุกจากที่นั่งหมผ้าชเวียงบ่าข้างหนึ่งคุกเข่าข้างขวาลงบนแผ่นดินประคองอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่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 ท่านปิงคียานีพาสิของท่านปิงคียานีชัดเจนไพเรายะยิ่งนกท่านปิงคียานีประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลง า, ายของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านปิงคิยานีจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตการณะณปาลีสูตรที่สี่จบ ขียาณีสูตรว่าด้วยปิงขิยาณีพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาป่ามหาวันเขกรุงเวสาลีสมัยนั้นเจ้าลิชวีประมาณห้0อคนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าลิชวีบางพวกมีตัวเขียวมีชวีวันเขียวมีผ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียว บางพวกมีตัวเหลืองมีชวีวันเหลืองมีผ้าเหลืองมีเครื่องประดับเหลืองบางพวกมีตัวแดงมีชวีวันแดงมีผ้าแดงมีเครื่องประดับแดงบางพวกมีตัวขาวมีชวีวันขาวมีผ้าขาวมีเครื่องประดับขาวพระผู้มีพระภาคทรงรุ่งเรืองกว่าเจ้าลิชวีเหล่านั้นโดยพระชวีวันและพระยศครั้งนั้น ปิงขิยานีพราหมลุกจากที่นั่งหมผ้าฉเวงบ่าข้างหนึ่งประคองอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความจแจแแมแจ้งแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความแจมแจ้งแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าปิงขิยานีเนื้อความจงแจมแจ้งแก่เธอเถิด ลำดับนั้นปิงขียานีพราหม์ได้ชมเชยพระผู้มีพระภาคต่อพระพักด้วยคถาโดยย่อว่าเชิญท่านดูพระอังคีรสผู้ทรงรุ่งโรจน์อยู่เหมือนดอกบัวชื่อโกกนุตมีกลิ่นหอมไม่ปราศจากกลิ่นบานอยู่ในเวลาเช้าและเหมือนพระอาทิตย์เปล่งรัศมีอยู่บนท้องฟ้าฉะนั้นครั้งนั้นเจ้าลิชวีเหล่านั้น ได้ให้ปิงขียานีพราหม์หมผม้าอุตราสงฆ์ห้าร้อยผืนปิงขียานีได้ทูลถวายให้พระผู้มีพระภาคครองผ้าอุตราสงฆ์ห้ารอยผืนเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคตรัส ก, กับเจ้าลิชวีเหล่านั้นว่าเจ้าลิชวีทั้งหลายความปรากฏแห่งแก้วห้าประการหายได้ยากในโลกความปรากฏแห่งแก้วห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ความปรากฏแห่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหาได้ยากในโลก 2. บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้หาได้ยากในโลก 3. บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ซึ่งผู้อื่นแสดงแล้วหาได้ยากในโลก 4. บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ซึ่งผู้อื่นแสดงแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหาได้ยากในโลก 5. กะตันยู ก, กะตะเวทีบุคคลหาได้ยากในโลกเจ้าลิชวีทั้งหลายความปรากฏแห่งแก้วห้าประการนี้แลหาได้ยากในโลกปิงคิยานีสูตรที่หจบ สุปินะสูตรว่าด้วยมหาสุบินภิกษุทั้งหลายมหาสุบินห้าประการปรากฏแก่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่มหาสุบินห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งแผ่นดินใหญ่นี้เป็นที่นอนใหญ่ขุนเขาหิมะวันเป็นขนยหมอน มือซ้ายย่อนลงในสมุดด้านที่ตะวันออกมือขวาย่อนลงในสมุดด้านที่ตะวันตกเท้าทั้งสองย่อนลงในสมุดด้านทิศใต้นี้เป็นมหาสุบินประการที่หนึ่งปรากฏแก่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ 2. องญ้าแพรบได้ ง, งอกขึ้นจากนาพีของตถาคต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 การที่แผ่นดินใหญ่นี้เป็นที่นอนใหญ่ของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่รตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ขุนเขาหิมะวันเป็นขนยมือซ้ายย่อนลงในสมุทรด้านที่ตะวันออกมือขวาย่อนลงในสมุทรด้านที่ตะวันตกเท้าทั้งสองย่อนลงในสมุทรด้านที่ใต้นี้เป็นมหาสุ บ, บินประการที่หนึ่งปรากฏเป็นนิมิตให้ทราบว่า ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมการที่ย่าแพรกได้งอกขึ้นจากนาภีของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ตั้งจรดทองฟ้านี้เป็นมหาสุบินประการที่สองปรากฏเป็นนิมิตให้ทราบว่าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้อริยมรรคมีองค์แปประกาศดีแล้วจนถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการที่หมูนอนสีขาวมีหัวดำได้ไต่ขึ้นจากเท้าของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ปกปิดตลอดถึงบริเวณพระชานุนี้เป็นมหาสุบินประการที่สามปรากฏเป็นนิมิตให้ทราบว่า ครหัสผู้นุ่งห่มผ้าขาวจำนวนมากได้ถึงตถาคตเป็นสรณะตลอดชีวิตการที่นกสีเหล่ามีสีต่างๆกันบินมาจากทิศ ท, ทั้งสี่ตกลงแทบเท้าของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตัดสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้วกลับกลายเป็นสีขาวทุกตัวนี้เป็นมหาสุบินประการที่สปรากฏเป็นนิมิตให้ทราบว่า วันณะทั้งสี่นี้คือกระัตรพราหมณ์แพทย์สูตรออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วทำให้แจ้งซึ่งวิมุตย้อนยอดเยี่ยมการที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์อยู่เดินไปมาบนภูเขาคูดลูกใหญ่แต่ไม่แปรเปื้อนอุจจระ นี้เป็นมหาสุขบินประการที่หปรากฏเป็นนิมิตให้ทราบว่าทถาคตได้จีวอนบินธบสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศบริคารแล้วไม่ลุ่มหลงไม่หมกมุ่นไม่พัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่ภิกษุทั้งหลายมหาสุขบินห้าประการนี้ปรากฏแก่ทาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่มหาสุ ป, ปิ น, น ส, สูที่6จบเจ็ด mm hmm. วัาสสูรว่าด้วยอันตรายของฝนภิกษุทั้งหลาย อันตรายของฝนห้าประการนี้ซึ่งพวกหมอดูรู้ไม่ได้สายตาของพวกหมอดูอยังไม่ถึงอันตรายห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เตโชธาต์กำเริบบนอากาศเมฆที่เกิดขึ้นย่อมกระจายไปเพราะเตโชธาตที่กำเริบนั้นนี้เป็นอันตรายของฝนประการที่หนึ่งซึ่งพวกหมอดูรู้ไม่ได้สายตาของพวกหมอดูอยังไม่ถึง 2. วายโยธากำเริบบนอากาศเมฆที่เกิดขึ้นย่อมกระจายไปเพราะวายโยธาที่กำเริบนั้นนี้เป็นอันตรายของฝนประการที่สองซึ่งพวกหมอดูรู้ไม่ได้สายตาของพวกหมอดูอยังไม่ถึง 3. อสุรินทาราหูใช้ฝ่ามือรับน้ำแล้วทิ้งลงในมหาสมุทรนี้เป็นอันตรายของฝนประการที่สามซึ่งพวกหมอดูรู้ไม่ได้ สายตาของพวกหมอดูอยังไม่ถึง 4. วัศวลาหกกะเทพประบุเป็นผู้ประมาทนี้เป็นอันตรายของฝนประการที่สซึ่งพวกหมอดูรู้ไม่ได้สายตาของพวกหมอดูยังไม่ถึง 5. พวกมนุษย์เป็นผู้ไม่ดำรงอยู่ในธรรมนี้เป็นอันตรายของฝนประการที่หซึ่งพวกหมอดูรู้ไม่ได้สายตาของพวกหมอดูยังไม่ถึง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 องค์แห่งวาจาสุภาษิตภิกษุทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์ห้าประการเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและท่านผู้รู้ไม่ติเตียนวาจาประกอบด้วยองค์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1- ผพูดถูกกาล 2- พูดคำจริง 3- พูดคำอ่อนหวาน 4- พูดคำประกอบด้วยประโยชน์ ห้าพูดด้วยเมตตาจิตภิกษุทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์หประการนี้แลเป็นวาจาสุภาสิทธิ์ไม่เป็นวาจาทุพาสิทธิ์เป็นวาจาไม่มีโทษและท่านผู้รู้ไม่ติเตียนวาจาสูนตที่ 8. จบ ก้าวุลสูตรว่าด้วยเหตุให้ตระกูลประสบบุญภิกษุทั้งหลายบรรปชิตผู้มีศีลทั้งหลายเข้าไปยังตระกูลใดพวกมนุษย์ในตระกูลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากโดยฐานะห้าประการฐานะห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สมัยใดเมื่อบรรปชิตผู้มีศีลเข้าไปยังตระกูลพวกมนุษย์เห็นแล้วมีจิตเลื่อมใส สมัยนั้นตระกูลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ 2. สมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปยังตระกูลพวกมนุษย์ลุกรับอภิวาทถวายอาสนะสมัยนั้นตระกูลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปเพื่อเกิดในตระกูลสูง 3. สมัยใดเมื paranoid, ่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปยังตระกูล พวกมนุษย์กําจัดมนทินคือความตรนีได้สมัยนั้นตรกูลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตให้เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีศักย์ใหญ่ 4. สมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปยังตรกูลพวกมนุษย์จัดของถวายตามความสามารถตามกำลังสมัยนั้นตรกูลนั้นชื่อว่า ปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีโภคซัพย์มาก 5. สมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปยังตระกูลพวกมนุษย์ไต่ถามสอบถามฟังธรรมสมัยนั้นตระกูลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากภิกษุทั้งหลายบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปยังตระกูลใด พวกมนุษย์ในตรกูลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากโดยฐานะห้าประการนี้แหลกุลสูตรที่เก้าจบสิบนิสสารนียสูตรว่าด้วยธาตุที่สลัดภิกษุทั้งหลาย ธาตุที่สลัดห้าประการนี้ธาตุที่สลัดห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เมื่อมานัสการกรรมทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในกามทั้งหลายแต่เมื่อเธอมา纳斯การเนก่ยขมมะจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในเนี่ยขมมะจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดําเนินไปดีแล้ว เจริญดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากกรรมทั้งหลายเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแคลนซึ่งเกิดขึ้นเพราะการมเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้เรากล่าวว่าท่าที่สลัดงกรรมทั้งหลาย 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อมนัษการพยาบาท จิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในพยาบาทแต่เมื่อเธอมนันสการความไม่พยาบาทจิตของเธอจึงแล่นไปเลื fruits. ่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในความไม่พยาบาทจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วเจริญดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพร่าอกดีแล้วจากพยาบาทเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะ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 นี้เรากล่าวว่าถ้าที่สลัดวิหิงสาสี่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อมนสการรูปทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลืเ่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในรูปทั้งหลายแต่เมื่อเธอมนส斯การอรูปจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอรูปจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดาเนินไปดีแล้วเจริญดีแล้ว ตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากรูปทั้งหลายเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแคลนซึ่งเกิดขึ้นเพราะรูปเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นนี้เรากล่าวว่าถ้าที่สลัดรูปทั้งหลาย 5. ภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เมื่อมนุษการสักกายะจิตของเธอย่อมไม่แล่นไป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 และความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะสักกายะเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นนี้เรากล่าวว่าธาตุที่สลัดสักกายะความเพลิดเพลินในกามย่อมไม่เกิดแก่เธอความเพลิดเพลินในพยาบาทก็ไม่เกิดความเพลิดเพลินในวิหิงสา ก, ก็ไม่เกิดความเพลิดเพลินในรูปก็ไม่เกิดความเพลิดเพลินในสักกายะก็ไม่เกิด เพราะความเพลิเพลินในการไม่เกิดเพราะความเพลิเพลินในพยาบาทไม่เกิดเพราะความเพลิดเพลินในวิหิงสาไม่เกิดเพราะความเพลิเพลินในรูปไม่เกิดและเพราะความเพลิเพลินในสากายะไม่เกิดแก่เธอภิกษุนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีอาลัยตัดตัณหาได้แล้ว Whew. คลายสังโยดได้แล้วทำที่สุดทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบภิกษุทั้งหลาย ท่าที่สลัดหประการนี้แลนิสารณียสูตรที่10บจบพราหมณวักที่ห้าจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. โซนสูตร 2. โทนะพราหมณสูตร 3. สังคารวะสูตร 4. การณปารีสูตร 5. ปิงขิยานีสูตร 6. มหาสุ ป, ปินนสูตร เจ็ดวัสสูตรแปดวาจาสูตรเก้ากุลสูตรสิบนิสารณียสูตรจตุทะปัณณาจบห้าปัญจมะปัณณา 1>, 1. กิมพิละวัคหมวดว่าด้วยพระกิมพิละหนึ่งกิมพิละสูตรว่าด้วยท่านพระกิมพิละสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าไผ่เขตเมืองกิมิลาครั้งนั้นท่านพระกิมพิละได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยให้พระสัตธ ร, รมไม่ดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตปรินิพานแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากินพิละเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิ ก, กาในธรรมวินัยนี้หนึ่งอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในาศาสดา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 พระกิมพิระทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้พระสัษยธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตปรินิพานแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากิมพิระเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวิ น, นัยนี้หนึ่งอยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในาศาสดาสอง อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในธรรม 3. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในสงฆ์ 4. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในศิษขาห้าอยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงกันและกันกลิมพิละนี้แลเป็นเหตุปัจจัยให้สัตยธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อตาาคตปรินิพานแล้ว กิมพิละสูตรที่หนึ่งจบ